สวัสดีนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้มีกะทิชมานนัสการร่วมกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คิดจักวัฒนาภาคบ่ายนะคะข้างหลังได้ยินดิฉันไหมคะอากาศหนาวนะเข้ามานั่งใกล้ๆก็ได้นะคะขอเชิญนะคะขอเชิญแต่ถ้าได้ยินก็ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้านะคะบทเพลงที่เราน้ัสศการก็ทําให้ได้คิดหลายอย่างนะคะ แล้วก็ได้ทบทวนถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะใช้เราอย่างไรในประเทศไทยผูชนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สาิบสข้อที่22ถึงข้อที่32สองพวกเรามีพระคัมภีร์กันไหมคะมีนะคะเราจะเปิดพระคัมภีร์และอ่านด้วยกัน อีกครั้งหนึ่งนะคบพระธรรมปฐมกาลบทที่32ิข้อที่22ถึง32เป็นตอนที่พวกเราคุ้นเคยกันดีถ้าไม่มีพระคัมภีร์ก็หยิบมือถือเลยหรือไม่ก็ iPad นะคะหาพระคัมภีร์ด้วยกันดิฉันจะอ่านให้พวกเราฟังถ้าใครมีพระคัมภีร์อ่านไปพร้อมๆกันนะคะผูชนะของพระเจ้ากล่าวว่ากลางคืนนั่นเองอย่าโคบก็ลุกขึ้นและพาภรรยาทั้งสอง สาวใช้ทั้งสองและลูกสิอคนข้ามที่ท่าข้ามแม่น้ำยับบอกยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารไปและส่งทรัพย์สินทั้งหมดข้ามไปด้วยเหลือยาโคบอยู่แต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนรุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพก ข, ของยาโคบขณะที่ปล้ำสู้กันข้อต่อสะโพก ข, ของยาโคบก็เคลื่อน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 ยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าทำไมเจ้าจึงถามชื่อเราแล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปนิเอลกล่าวว่าพวเาพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าและพระองค์ทรงไว้ชีวิตข้าพเจ้าเมื่อยาโคบผ่านเปนอเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินขยบขยเกเพราะเจ็บสะโพก ดังนั้นคนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่สะโพกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อสะโพกนั้นจนทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงแตะข้อต่อสะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่สะโพกพรชนาของพระเจ้าในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะให้หัวข้อว่าปร่ำสู้กับพระเจ้าขอเรารุ้มใจกันอธิษฐาน สัตการข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าสําหรับบ่ายวันนี้สําหรับความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่ข้าพุธทั้งหลายจะเข้ามาเฝ้านมันสการพระองค์เจ้าขอพระเจ้าอวยพระโพลข้าพุธทั้งหลายผ่านทางพระวจนะธรรมของพระองค์ข้าทั้งหลายเชื่อว่าพระชนะของพระองค์นั้นมีประโยชน์ในการสอนสั่งมีประโยชน์ในการแก้ไขสิ่งผิดมีประโยชน์ในการอบรมเราทั้งหลายให้อยู่ในทางธรรมและเป็นคนที่สามารถและพลักพร้อมที่จะเป็นในการทําการดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกเมื่อง อธิษฐานและมอบฝากเวลานี้ไว้พร้อมกันกับต่ อ, ตอนหน้าพระพักของพระองค์ขอพระองค์รงทรงโปรดตรัสเพื่อที่คุกทั้งหลายจะเข้าใจในน้าพระทัยของพระองค์ทูลขอาการทรงนำที่มาจากพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคะเรื่องราวชีวิตของยาโคบนะคะดิฉันเชื่อว่าพวกเราเนี่ยคุ้นกันดีอยู่แล้วถ้าใครไม่คุ้นลองไปอ่านในปฐมกาศนะคะตั้งแต่บทที่ 25- สหถึงสา ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระคัมภีในบันทึกเรื่องของยาโคบไว้ายาวมากเลยเริ่มต้นตั้งแต่เขาเกิดเลยเราจะเข้าใจพระธรรมบทนี้ได้เนี่ยเราต้องมาทบทวนกันก่อนว่ายาโคบเป็นคนอย่างไรตั้งแต่ตอนที่ยาโคบเกิดมาเลยนะคะพระวจนะของพระเจ้านะคะพระคัมภีร์บันทึกเลยนะคะว่าตอนที่เธอเกิดนั้นนะ่ะเธอเกิดมาพร้อมกับพี่ชายฝาแฝดตอนที่เกิดมานะครับเธอก็ทําเรื่องจับส้นเท้าของพี่ชายไว้ ดังนั้นเองนะคะนี่จึงเป็นที่มาของชื่อยาโคบเพราะว่าคำว่ายาโคบแปลว่าจับส้นเทา้าแต่คำนี้ก็มีอีกความหมายหนึ่งคำว่ายาโคบแปลว่าหลอกโกงชื่อนั้นสำคัญชนาไหนชื่อนั้นบ่งบอกตัวตนของคนคนนั้นชื่อของเราเราก็มีความหมายใช่ไหมคะชื่อของพี่น้องทุกคนเรียนก็เชื่อว่ามีเป็นชื่อที่มีความหมายเช่นเดียวกันเลยชื่อของยาโคบ บอกว่าเขาเป็นคนโกงเป็นคนที่ชอบหลอกนะคะนอกจากนี้เราจะพบว่ายาโคบนะครับเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันซึ่งปกติเนาะเราเจออะไรและครอบครัวเป็นแบบนี้เหมือนกันปกว่าพี่ชายคนโตเป็นลูกของพ่อยาโคบเองเป็นลูกของคุณแม่ดังนั้นเองแปลว่าอะไรครับยาโคบเป็นลูกของแม่แม่จึงมักให้ทายลูกคนเล็กคนนี้เสมอเลยให้ทายจนกระทั่งสนับสนุนให้ยาโคบนะครับ โกงเอาสิทธิบุดหัวปีของพี่ชายตัวเองและยาโคบนะคะนอกจากหลอกพี่ชายแล้วยังหลอกพ่อตัวเองด้วยเขาหลอกเอาสิทธิบุดหัวปีของเอสาวนะคะโดยที่ว่าเขาหลอกคุณพ่อบอกว่าตัวเขานั่นแหละคือเอสาวดังนั้นเองการหลอกพ่อครั้งนั้นนะคะเขาก็เลยได้ขโมยสิทธิบุดหัวปีของพี่ชายตัวเองไปเหตุการณ์นี้เองนะคะก็เลยทําให้ชีวิตของยาโคบเป็นไงคะพลิกผันพี่ชายโกรธมาก กยจนถึงกับฆ่ายาโคบได้เลยแล้วก็เลยเป็นไงครับยาโคบก็เลยอยู่บ้านได้ไหมอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องหนีตายไปอยู่กับคุณลุงคุณลุงลาบันซึ่งเป็นพี่ชายของแม่นั่นเองแม่เป็นคนแนะนําเองนะคะว่าให้หนีไปอยู่กับลุงอยู่ที่นั่นจะปลอดภัยพรากฏว่าเมื่อยาโคบไปอยู่กับลุงคนที่ชอบหลอกก็เลยไปคนไปเจอกับคนที่ชอบหลอกเหมือนกันลาบันเนี่ย ก็หลอกอยาโคบเพราะว่ายาโคบไปหลงรักลูกสาวคนเล็กของลาบันชื่อว่ า, าราเชลยาโคบรักราเชลมากนะคะลาบันเลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้ารักมากก็ทำงานให้ฉันเจ็ดปีแล้วค่อยแต่งงานจะยกราเชลให้เจ็ดปีก็วเหมือนติดปีกบินเพราะรักมากบางทีเวลาที่เราตกอยู่ในอารมณ์รักแป๊บเดียวก็เจ็ดปีก็เหมือนเจดวันพรวมาถึงคืนวันแต่งงาน ลาบันสลับตัวเจ้าสา ว, ชาวเช้าตื่นขึ้นมาอยาโคบรู้ว่าเจ้าสาวของตัวเองไม่ใช่นางลาเชลสแล้วแต่เป็นเลอาพี่สาวของลาเชลอ ย, ยาโคบก็โกรธมากนะครับไปถามว่าทำไมลุงหลอกผมลุงบอกว่าไม่มีธรรมเนียมนี้ไม่มีธรรมเนียมที่น้องแต่งการก่อนพี่สาวไม่เป็นไรรออีกเจ็ดวันเดี๋ยวลุงจะยกลาเชลให้แต่เมื่อยกให้แล้วเจ็ดวันต้องทางานต่ออีกเจ็ดปี ยาโคบเลยทํางานเบ็ดเสร็จให้ลุงลาบัน14ปีเลยได้มาสองพี่น้องเลยนะคะก็เลยได้สสาวได้ภรรยาสคนดังนั้นเราจะเห็นว่ายาโคบทํางานให้ลาบันสิปีแล้วยังไม่พอยาโคบเองมีครอบครัวใหญ่ก็เลยต้องทํางานเพื่อที่จะสร้างฐานะในครอบครัวต่ออีกเบ็ดเสร็จยาโคบทํางานให้ลาบันยีปีจากนั้นนะคะถ้าเราอ่านเรื่องราวของยาโคบก็จะสนุกมากเราจะพบว่าเรื่องราวของยาโคบเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวใหญ่หน่าปวดหัว เพราะว่าลาเชลเป็นหมันสตาตั้งต้นจากการที่ภรรยาที่ตัวเองรักเป็นหมันนี่เองก็เคยเกิดเรื่องรามีการยกภรรยาน้อยให้อีกบเบ็ดเสร็จเราทราบว่ายาโคบมีภรรยาสี่คนมีลูกชาย12คนมีลูกสาวที่บันทึกชื่อใ น, รนพระคัมภีร์อย่างน้อยอีกหนึ่งคนเป็น13าคนที่เราทราบและถ้าพวกเราอ่านต่อนะเราจะพบกับเรื่องของการโกงฝูงสัตว์ระหว่างยาโคบกับลุงลาบันยาโคบเองนะครับเริ่มอยู่กับลาบันไม่ไหวละ ชีวิตนี้มีต้องคอยคิดแผนการโกงกันเขาก็เลยคิดที่จะกลับบ้านเกิดละ่พะพวกมีครอบครัวใหญ่ภรรยาสี่คนลูกอีกสิบสามคนเขาต้องการสร้างฐานะตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยจึงพยายามที่จะเพิ่มฝูงสัตว์ให้กับฝูงสัตว์ของตัวเองถ้าพวกเราสนใจไปอ่านต่อนะคะบทที่30ิกับส1บเอและสุดท้ายอย่าคบก็เลยต้องพาครอบครัวใหญ่หนีพ่อตา พอรู้ว่าอยู่ด้วยกันต่อไม่ได้แล้วแล้วก็จากมาดีๆก็ไม่ได้ด้วยต้องหนีมาแล้วก็เรื่องราวก่อนที่จะถึงบทที่เราอ่านไปเมื่อกี้นี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ยาโคบพาครอบครัวนี้หนีลาบันมาแล้วก็ลาบันก็ยกกองทัพตามมาทันนะครับแต่สุดท้ายไม่มีการทําสงครามไม่ได้ทําร้ายกันสุดท้ายแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายทําสัญญาต่อกันนะคะแล้วก็บอกว่าจะไม่ข้ามเขตจะไม่ทำร้ายกัน แล้วตรงนี้เองนะครับจากฉาก ต, ตรงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มาถึงตรงที่เมื่อกี้นี้เราอ่านกันเมื่อกี้ที่เราอ่านกันนะครับปฐมากาลบทที่32มสอข้ 22. อยียาโคบเข้ามาถึงเขตแดนของเอซาวแล้วเขากําลังจะเผชิญหน้ากับพี่ชายแท้ๆพี่ชายฝาแฝดคนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปทําเรื่องให้ต้องได้รับความอับอายมากครั้งหนึ่งทําเรื่องให้ยาเอซาวเนี่ยไม่ได้รับพรจากพ่อของตัวเองนะครับคนที่เคยโกรธยาโคบมากคิดจะฆ่าได้เลย ยาโคบนะครับต้องหนีไปตายเอาดับหน้าเพราะคนคนนี้แม้เวลาจะผ่านไป20ปีแล้วยาโคบก็ไม่แน่ใจว่าเอสาวหายโกรธหรื อ, อยังคนบางคนโกรธนานนะคะชีวิตนี้ไม่พูดกันอีกเลยยาโคบก็ไม่รู้เลยนะครับและไม่ต้องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยไม่รู้ว่าเอสาวเนี่ยจะหายโกรธหรือเปล่าดังนั้นเองนะครับยาโคบคิดแล้วคิดเล่านะครับยิ่งคิดก็ยิ่งกลัว ถเราอ่านไปในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่32ข้อ9ก้ถึงสิก่อนหน้านี้เราจะพาะว่ายาโคบกลัวมากถึงกับนั่งอธิษฐานกับพระเจ้านะครับเราลองมาฟังคําอธิษฐานของอยาโคบดิฉันจะอ่านให้เราฟังยาโคบกระวลกระวายใจนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองให้พ้นจากเงื้อมือพี่ชายของข้าพระองคือจากเงื้อมือของเอซาว พอข้าพลงกลัวเขาเกรงว่าเขาจะฆ่าข้าพลงกับแม่แม่และลูกๆูกเสีย่ยพี่น้องคะเราเคยอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้ไหมในเพราวะว่าที่เรากลัวมากๆเราเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมคนที่อธิษฐานแบบนี้นี่ฟังดูเหมือนว่าเขายอมจำนวนแล ะ, สะแสวงหาพราะเจ้าจริงๆใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่พระว่ว่าแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นแท้จริงแล้วนะคะยาโคบยังคงเป็นยาโคบและเป็นยาโคบที่มั่นใจตัวเองและจะทําทุกอย่าง เอตัวงและตรงนี้นี่เองเป็นจุดหรือเป็นสถานการณ์ที่พระเจ้าใช้นะครับประสบการณ์ตรงนี้นะครับของยาโคบในขณะที่ยาโคบกำลังทุกข์ใจยาโคบใช้สถานการณ์แบบนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเขาเองดังนั้นเองนะครับปฐมกาลบทที่32ข้อ2 2 3 2ที่เราอ่านไปจึงเป็นเหตุการณ์ที่ยาโคบมาถึงจุดหักเหของชีวิตของเขา และเป็นจุดหักเหที่พระเจ้าเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าจริงๆเอาละค่ะพี่น้องก็เรามาพิจารณากันต่อนะคะยาโคบนี่ส่งครอบครัวไปแล้วเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามข้ามในน้ำยากบอกข้ามไปก่อนเลยแล้วเขาเนี่ยใช้เวลาในข้ามคืนนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวพระคำพีร์ไม่ได้บันทึกว่าทําไมยาโคบทําแบบนั้นเข่อจะอยากอยู่เฉยๆเงี้ยๆอยากจะซ่อนตัวสักคืนหนึ่งไม่อยากคุยกับใคร อยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะครับที่แน่ๆพระคัมภีร์บันทึกว่ามีบุรุษผู้หนึ่งมาป้อมสู้เขาเจนรุ่งสางอยู่ในข้อที่24พระคัมภีร์บอกว่าสองคนป้อมสู้กันเนี่ยตลอดคืนยันเช้าเลยและอยู่ๆในตอนเช้ามืด น, นั่นเองนะคะพระคัมภีร์บอกว่าบุรุษผู้นั้นก็แตะต้องที่สะโพกข้อต่อที่สะโพกของยาโคบนะครับและสะโพกของยาโคบก็เคลื่อนเจ็บ ทำให้ยาโคบนี่ต้องเดินขยบขย ե และไม่ใช่แค่เดินขยบขย ե วันนั้นนะครับยาโคบต้องเดินขยบขย ե ไปตลอดทั้งชีวิตของเขายาโคบสู้มาถึงตรงนี้นะครับไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกสู้นะครับทั้งๆ ท, ที่น่าจะหมดแรงแล้วนะครับยาโคบนะครับยังขอร้องบุรุษผู้นี้บอกว่าอวยพรผมหน่อยเราจึงมีคําถามถามว่าถ้า ง, งั้นแล้วบุรุษผู้นี้คือใครในข้อที่สามสิบยาโคอบบอกว่า ข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าแปลว่าอะไรยาโคบได้พบพระเจ้าหรือนักวิชาการบางคนก็บอกว่าอยาโคบน่าจะป้อมสู้อยู่กับทูตของพระเจ้าและน่าจะเป็นทูตองค์เดียวกันกับที่มาพบอับราฮัมในปฐมกาลบทที่18หลายๆคนเชื่อว่าทูตองนี้เนี่ยน่ า, าน่าจะหมายถึงพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ว่าบุรุษผู้นี้จะเป็นใคร ในเวลานั้นที่อยู่กับยาโคบณนะที่นั่นบุรุษผู้นี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าดังนั้นคําถามแรกที่อยากจะให้พี่น้องพิจารณาด้วยกันใคร้ครัวด้วยกันคําถามแรกก็คือว่าทําไมพระเจ้าทําแบบนี้ทําไมพระเจ้าต้องส่งทูตของพระองค์ลงมาป้อมสู้กับยาโคบด้วยที่จริงพระธรรมตอนนี้นะครับน่าสนใจมากเพราะว่าพระเจ้าให้บทเรียนกับยาโคบและที่จริงเป็นบทเรียนที่ให้กับพวกเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ด้วย ชีวิตของยาโคบนะครับแท้ชิงแล้วเนี่ยเขาอยู่ระหว่างอดีตที่ขมขื่นก็คือเขามีปัญหากับพ่อตามมตลอดเลยยี่สิปีอยู่ด้วยกันไม่ได้จนต้องหนีออกมาเลยขณะเดียวกันตอนนี้กำลังจะไปะเผชิญกับศึกพี่ชายที่อยู่ตรงหน้าพูดง่ายๆยาโคบอยู่เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ที่หนีเสือปะจระเขแล้วตอนนี้ดังนั้นเองในสถานการณ์ในโอกาสเช่นนี้เองนะคะที่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซง พู้ลงต้องการทำให้ยาโคบนะคะตหนักว่าปัญหาที่เขามีอยู่นั้นแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ลุงปัญหาไม่ใช่อยู่ที่กับลุงลาบันและปัญหาที่เขามีกับพี่ชายที่กำลังจะไปะเผชิญอยู่ปัญหาจริงๆของเขาคือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าถ้าเราดูต่อนะคะในข้อที่ยี่สิสาเราจะพบว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าบุรุษผู้หนึ่งปั้มสู้กับเขา ไม่ใช่ว่ายาโคบเริ่มต้นไปปั้าสู้กับบุรุษผู้นี้ก่อนคํานี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระเจ้าเองต่างหากที่เป็นผู้ริเริ่มก่อนหมายความว่านี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าทรงใช้นะคะผูะ้ทรงทรงกําลังจะยกชูยาโคบขึ้นให้เป็นคนใหม่ให้มีชีวิตที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้ากําลังจะเปลี่ยนยาโคบดังนั้นเองผู้ทรงทรงริเริ่มก่อนผู้ทรลงลงมาและปลั้มสู้กับยาโคบเพื่อจะให้ยาโคบได้ ยอมจำนวนกับพรงนั่นเองคำถามแรกผ่านไปแล้วนะคะคำถามที่สองให้เราดูด้วยกันถ้าอย่างนั้นยาโคบปั้มสู้กับพระเจ้ายัางไงจนถึงเช้าทำได้ยังไงทำไมหรือว่าเป็นไปได้ยังไงที่สู้กันจนถึงเช้าแล้วทูตของพระเจ้านะครับหรือพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถเอาชนะยาโคบได้ในข้อที่ยี่สิบห้าเราดูด้วยกันพระคัมภีร์บันทึกว่า เมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพก ข, ของยาโคบคำถาม น, นี้จึงเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับพระเจ้าแพ้มนุษย์อย่างนั้นหรือไงดิฉันอยากจะให้พวกเราอ่านพิจารณาอ่านต่อขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าบุรุษผู้นี้มีพลังมากแล้วก็มีแรงมากพอที่จะเอาชนะยาโคบได้ทุกเมื่อเลยแต่ว่า พอใกล้สว่างเป็นเวลาที่ทูตหรือบุลุษผู้นี้นะคะต้องการจะไปแล้วนะครับบุลุษผู้นี้เพียงแค่แตะเท่านั้นเองนะครับข้อต่อสะโพกของยาโคบก็เคลื่อนเลยแสดงว่าเขามีกำลังมากบางคนอาจจะถามว่าอ้าวถ้าบุลุษผู้นี้สามารถจะเอาชนะยาโคบได้แล้วทำไมไม่เอาชนะสักทีทำไมต้องรอไปจนถึงลุ่งเช้า ที่จริงนะคะการปั้มสู้ครั้งนี้สาคัญมากสําคัญสําหรับใครสําคัญสําหรับยาโคบเองบุรุษผู้นี้หรือทูยของพระเจ้านะครับป้้มสู้กับยาโคบนะครับต้องใช้คําว่าอดทนป้้มสู้กับยาโคบตั้งแต่คืนยันลุ่งหลายชั่วโมงมากทําไมที่จริงยาโคบน่าจะเหนื่อยมากแล้วก็น่าจะหมดแรงได้แล้วดังนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าบุรุษผู้นี้กําลังจะทําให้ยาโครบรู้สึกเองว่าตัวเขาเนี่ย กำลังได้เปรียบยิ่งใกล้ลุ้งแางดูเหมือนว่ายาโคบกําลังได้เปรียบแต่แท้จริงแล้วทั้งคู่เหนื่อยมากแล้วและยิ่งยาโคบน่าจะเหนื่อยอย่างสุดๆการปัําสู้นี้ยาวนานก็เพื่อที่จะให้ยาโคบมาถึงจุดที่ตัวเขาเองต้องตระหนักว่าตัวเขานั้นสู้จนหมดแรงหมดกําลังไม่มีแรงเหลืออีกแล้วดังนั้นเองในภาวะที่หมดแรงและหมดกําลังนี้นะครับบุรุษผู้นั้นจึงค่อย แต่ที่สะโพกข้อตอบของยาโคบนั่นเองข้อความนี้สอนอะไรเราข้อความนี้สอนเราว่าแท้จริงแล้วเราเองนะคะมักที่จะวิ่งขวายคว้าตามหลายสิ่งหลายอย่างเรามักจะทำด้วยสุดกำลังของเราหรือว่าสุดสติปัญญาของเราจะลืมไปว่าแท้จริงแล้วนะครับพระเจ้าทรงเป็นขุมกำลังที่แท้จริงของเรา พระเจ้าเป็นขุมกำลังนะคที่แท้จริงของเราดังนั้นเองนะคอย่าโคบนะครับต้องมาถึงจุดที่ตระหนักกับตัวเองนะคะว่าขุมกำลังของบุรุษผู้นี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเลี้วแรงกำลังของเขามากเพียงไรอย่าโคบนะคเป็นคนที่ทราบดีว่าในสถานการณ์อย่างไรเขาควรจะพูดหรือเขาควรจะทำอย่างไรแต่ว่าใจของเขานั้นยังไม่ได้ยอมจานวนกับพระเจ้าอย่างแท้จริง พี่น้องเคยเชื่อเดียวกันเลยเราบอกใครๆว่าเราเป็นคริสเตียนแต่บางครั้งความเชื่อของเรากลายเป็นความเชื่อที่ตื้นเขินเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ลึกซึ้งเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตมาถึงจุดวิกฤตวิกฤตเหล่านี้นะครับที่ฉันอยากเน้นใจว่าวิกฤตมักเป็นตัวทําให้เราได้กลับมามีความเชื่อแท้กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นอย่า ก, กลัววิกฤตของชีวิต พระเจ้าใช้วิกฤตเหล่านี้นะคะเพื่อจะนํายาโคบให้กลับมามีความเชื่อแท้กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเมื่อยาโคบนะคะขอให้บุรุษผู้นั้นอวยพรเขานะครับนั่นเองนะครับเป็นจุดที่กําแพงแห่งความดื้อดึงของยาโคบนั้นถูกทําลายลงเพราะเขาได้ตระหนักกับตัวเองแล้วว่ากําลังของเขานั้นหมดแล้วพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ให้เรามาแค่น้ำสการพระเจ้าเราจะพบว่ายาโคบนะคะไปที่ไหนยาโคบชอบ สร้างแท่นบูชาและนมัสการที่นั่นทุกครั้งเลยแทย้จริงแล้วพระเจ้าต้องการมากกว่าการนามัสการของยาโคบและต้องการมากกว่าการมานมัสการในวันอาทิตย์ของเราพระเจ้าทรงประสงค์หัวใจของเราและทรงประสงค์หัวใจของยาโคบด้วยพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแค่นมัสการหรือเป็นคิดเซนแค่ในวันอาทิตย์อลัลากาคำถานที่สมให้เราคิดไข้ควรกันอยู่ในข้อที่27 ทำไมบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโควบว่าเจ้าชื่ออะไรเวลาที่พวกเราอ่านพระคัมภีร์มาถึงตรงนี้แล้วเราแปลกใจไหมคะอ่านมาถึงตรงนี้แล้วทําไมบุรุษผู้นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือเป็นพระเจ้าเองไม่รู้หรือว่ายาโคบชื่ออะไรไม่รู้หรือว่ากําลังปล้ำสู้อยู่กับใครพี่น้องเขาถ้าเราลองอ่านดีๆอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะในตอนนี้เราจะพบว่าถ้าจริงพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะจัดการ จะต่อว่ายาโคบก็ได้ประนามยาโคบก็ได้นะครับว่าพระองค์อ่ะดีกับยาโคบมาตลอดเลยทำไมยังเป็นแบบนี้อยู่อีกยังชอบหลอกชอบโกงคนอื่นอยู่อีกแต่พระองค์ไม่ได้ว่าอะไรนะคะในค่ำคืนนั้นพระองค์ถามคำถามง่งายๆสั้นๆเจ้าชื่ออะไรคำถามนี้น่าสนใจมากเป็นคำถามที่ให้บทเรียนแก่ยาโคบนะครับและให้บทเรียนกับเราด้วย นั่นคือว่าในการที่เราจะร้องขอพรกับพระเจ้ายาโคบนะครับจาเป็นที่ต้องยอมจำนนกับพระเจ้าก่อนเป็นการยอมจำนนนะครับตอบคำถามก่อนยอมจำนนกับพระเจ้าถึงตัวเองก่อนเพื่อจะได้รับพระพรและพระพร น, นี้เป็นพระพรที่ครั้งหนึ่งยาโคบเคยขโมยจากเอสาวพี่ชายของตัวเองไปพวกเราจาได้ไมคะว่า ครั้งสุดท้ายที่มีคนถามยาโคบว่าเจ้าคือใครอยู่ที่ไหนเคยมีคนหนึ่งถามยาโคบนะว่าเจ้าคือใครพ่อของเขาเองอิสอคในพระธรรมปฐมกาลบทที่สิบยข้อที่18คุณพ่อฝ่ายเนื้อหนังหรือฝ่ายโลกนี้นะครับอิสอัคจำได้ไหมคะวันนั้นยาโคบเข้าไปหาคุณพ่อคุณพ่อตาไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมคะแม่ของยาโคบนางราเชลทำเสื้อ พระคุ้มหนังสัตว์หให้ใช่ไหมครับอิสซักสงสัยจับดูแขนก็เหมือนแขนของเอสาวแต่เสียงทําไมเป็นเสียงของยาโคบอิสาคุณพ่อก็เลยถามยาโคบนะครว่าเจ้าคือใครหรือเจ้าชื่ออะไรนั่นเองยาโคบนะครับตอบคุณพ่อได้แบบหน้าตาเฉยนะครับลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของพ่อตอบได้เฉย โกหกนั่นเองโกหกครั้งนี้ก็เลยได้พรที่จะตกแก่พี่ชายไปคำตอบเช่นนี้นะครับอย่าโคบขโมยพรของเอซาวไปทำให้เอสาวนั้นโกรธมากมาครั้งนี้ค่ำคืนนี้อีกเช่นเดียวกันผ่านไปยี่สิบปีต้องหนีออกจากบ้านพ่อแม่หนีตายไปอยู่กับคนที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อนไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดน เสียเวลาไปตั้งหลายปีมาถึงขรานี้นะครับค่าคืนนี้อีกครั้งหนึ่งยาโคบขอพระเจ้าอวยพอรอีกแล้วแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ายาโคบนะครับจะเข้าใจในคําถามของพระเจ้าที่ถามว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบนะครับครั้งนี้เองยาโคบซื่อสัตย์เขาตอบอย่างซื่อสัตย์ว่าผมคือยาโคบข้าพเจ้าชื่อยาโคบ ครั้งนี้ยาโคบยอมรับตัวตนของตัวเองพูด ง, ง่ายๆเขากาลังตอบพระเจ้าว่าผมคือยาโคบคนขี้โกงครับดังนั้นเอ ง, เองนะครับเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่ายาโคบพูดความจริงกับพระเจ้าเขายอมรับว่าตัวเองเป็นใครการบอกชื่อของตัวเองคือการยอมรับว่าตัวเองนะครับชีวิตที่ผ่านมานี้นะครับ ทำชีวิตดําเนินชีวิตคดโกงหลอกสมกับชื่อของตัวเองโกงไปทุกๆ ท, ที่ที่ไปโกงกับทุกคนที่ตัวเองอยู่ด้วยดังนั้นมาบัดนี้นะฮะค่ำคืนนี้นะครับยาโคบตระหนักยอมรับตัวเองนะครับว่าเขาเป็นคนขี้โกงดังนั้นเองบัดนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมมากที่พระเจ้าจะอวยพรเขาและเปลี่ยนยาโคบให้เขานะคะกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ พี่น้องคะการที่พระเจ้านะครับถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรไม่ได้หมายความว่าพระองค์เนี่ยไม่ทราบว่ายาโคบชื่ออะไรแต่พระองค์ต้องการที่จะให้ยาโคบเนี่ยตระหนักยอมรับตัวตนของตัวเองพระองค์ต้องการให้ยาโคบนะครับยอมรับว่าที่ผ่านมาชีวิตของเขานั้นเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่สอนเราทั้งหลายทุกคนด้วยเช่นเดียวกัน เราเองนะครับเป็นคนที่มีปัญหาเหมือนเหมือนยาโคบเราเองเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนกับยาโคบและพี่น้องครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ไม่มีใครเปลี่ยนเราได้ดังนั้นเองการที่เรายอมรับตัวตนของเรานะครับต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้านี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำให้เรานะครับกับยาโคบได้ชื่อใหม่ ในกรณีของยาโคบเขาได้ชื่อใหม่ว่าว่าอะไรคะอิสราเอลแปลว่าอะไรแปลว่าเขาผู้พร่ำสู้กับพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าทรงปร่าสู้ดังนั้นชื่อใหม่ชื่อนี้นะครับจะไม่มีใครเรียกยาโคบคนขี้โกงอีกต่อไปคนจะเรียกชื่อใหม่อิสราเอลเป็นชื่อที่คอยย้ําเตือนว่าครั้งหนึ่งเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าและประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนที่พระเจ้าเปลี่ยนเขาเป็นคนใหม่ เช่นเดียวกันพี่น้องคะ pues. ันอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับทุกคนในที่นี้มีชื่อใหม่ด้วยเราทราบหมคะว่าชื่อใหม่ของเราคืออะไรจากเมื่อก่อนนะคะพวกเราเป็นคนบาปเดี๋ยวนี้เราเป็นคนบุญเราเป็นคนชอบธรรมจากเมื่อก่อนที่เราได้ชื่อว่าเป็นคนที่ต่อต้านพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราเป็นเพื่อนกับพระเจ้าจากเมื่อก่อนที่เราได้ชื่อว่าเป็นศัตรูกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราได้ชื่อว่าเราเป็น ลูกของพระเจ้าจากมื่อก่อนนะคะเราเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้เดนนี้เราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าเราได้ชื่อใหม่ว่าเป็นคริสเตียนเป็นผู้ติดตามพระคิดเป็นพระคิดน้อยนั่นเองทุกครั้งที่ใครใครเรียกเราว่าคริสเตียนขอบคุณพระเจ้านั่นคือเราเป็นคนใหม่เรามีชีวิตใหม่คำถามที่สี่ที่อยากจะให้พี่น้องพิจารณาด้วยกันตรงนี้ แล้วทำไมพู้เช้าต้องแตะต้องที่สะโพกยาโคบทำให้เขาต้องเดินขยกขย ე ก, กไปชั่วชีวิตด้วยคำตอบง่ายๆรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นหรือว่าความเจ็บปวดที่มันติดตัวไปตลอดชีวิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์หรือบทเรียนสอนใจเราที่นี่มักมีพิธีมงคลสมรสใช่ไหมคะ เวลาในพิธีมงคลสมรสสิ่งที่บ่าวสาวใช้แลกเปลี่ยนกันก็คือแหวนใช่ไหมคะแหวนเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมครับย้ำเตือนคู่บ่าวสาวให้เป็นไงครับรักยั่งยืนนานรักเหมือนรักของพระเจ้าเช่นเดียวกันเลยนะครับรอยแผลเป็นหรือความเจ็บปวดนะครับที่ติดตัวนี้นะครับจึงช่วยเตือนยาโคบและช่วยเตือนเราด้วยนะครับว่ายาโคบและเราต้องการพระเจ้า เหตุการณ์บางเหตุการณ์พระเจ้าให้เกิดขึ้นวิกฤตบางวิกฤตพระเจ้าให้เกิดขึ้นก็เพื่อย้ำเตือนในบทเรียนที่พระเจ้าให้กับเราดังนั้นเองนะคะเราพิจารณากันเวลาสี่คำถามดิฉันอยากจะห น, นหนุนใจเราแล้วก็แบ่งปันบทเรียนสมประการสุดท้ายสั้นๆให้พวกเราฟังสําหรับพวฒนาของพระเจ้าในวันนี้ประการแรกวิกฤตคือโอกาส พระเจ้าทรงอนุญาตนะครับให้เราเนี่ยมีปัญหาหรือมีวิกฤตเข้ามาเนี่ยในชีวิตของเราก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยมีความเชื่อแท้กับพระองค์มีหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะครับพี่น้องที่เข้ามาในชีวิตของเราทําให้เราเนี่ยต้องรู้สึกเราต้องปั้มสู้กับพระเจ้าถามพระเจ้าว่าทําไมพระองค์เจ้าข้าอาจจะเป็นปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรังอาจจะเป็นปัญหาตกงานหรือสูญเสียคนที่เรารักเป็นปัญหาเยอะแยะเลย ที่เราช่วยตัวเราเองไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้และปัญหาเหล่านั้นจะยิ่งเป็นปัญหาทุกใจมากขึ้นหนักใจมากขึ้นถ้าเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ตัวดังนั้นในเวลาที่เราเจอปัญหาหรือวิกฤตของชีวิตแบบนี้นะคะมีสองทางเลือกเท่านั้นเองที่เราจะต้องเลือกเราจะเลือกยอมแพ้กับเรื่องไร้ไที่เข้ามาในชีวิตของเราหรือว่าเราเลือกที่จะมองขึ้นไป หาพระเจ้าเราสามารถที่จะเลือกจัดการทุกอย่างด้วยกําลังของเราเองนะครับด้วยสติปัญญาของเราเองหรือเราเลือกที่จะยอมจำนนหันกับมาหาพระเจ้าก่อนเราสามารถเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าก็ได้นะครับมีคิดเซนหลายคนมารู้จักพระเจ้าแล้วยังเจอปัญหาอยู่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าให้เกิดปัญหาก็เลยทิ้งพระเจ้าไปเราสามารถทําเช่นนั้นได้ หรือเราจะเลือกที่จะเชื่อไว้วางใจและปล้อมสู้กับพระเจ้าต่อว่าในวิกฤตแบบนี้พระเจ้าจะให้เราทําอย่างไรพระเจ้าจะเปลี่ยนตัวตนของเราอย่างไรดังนั้นเองช่วงเวลาที่ยากลําบากของชีวิตจึงเป็นจุดพลิกผันที่เราต้องตัดสินใจหากประสาทหากปราศจากช่วงเวลาเหล่านี้แล้วนะครับเราคงจะทําอะไรก็ตามหรือแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยด้วยสุดกําลังสุดแรงสุดสติปัญญาของเรา หรือบางทีเราอาจจะดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆสบายๆและไม่เคยหันกลับมาพิจารณาเลยว่าแท้จริงแล้วคริสเตียนควรจะเชื่อไ ว, ว้วางใจในพระเจ้าอย่างไรจริงๆดังนั้นบทเรียนแรกวิกฤตคือโอกาสที่พระเจ้าให้เรากลับมามีความเชื่อแท้กับพระเจ้าบทเรียนที่สองนะคะปัญหาอยู่ที่ใจ ยาโคบนะครับมัวแต่คิดว่าชีวิตของเขามีแต่ปัญหาเหนื่อยกับการโกงเอาพรของพี่ชายมาเหนื่อยกับการต่อสู้แย่งชิงฝูงแกะกับพ่อตาลาบันเหนื่อยกับการชิงไหวชิงพิบนะครับเหนื่อยกับเรื่องปวดหัวในบ้านภรรยาสี่คนคอยแย่งตัวยาโคบคืนนี้ไม่รู้จะต้องนอนกับใครดีเหนื่อยกับความคิดที่ว่าเดี๋ยวเอซาจะมาล้างแค้นจะฆ่าแม่แม่กับลูกๆไหม เละเหนื่อยกับการวางแผนว่าจะต้องทำยังไงที่จะทำให้เอสาวใจเย็นลงและไม่แก้แคลนยากอบถึงตรงนี้นะคะเาเหนื่อยมากนะครบเ้าเหนื่อยใจกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่เขาลืมคิดไปอย่างหนึ่งนะคะว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าใครใหญ่ที่สุดแท้จริงแล้วใครคือเจ้าของชีวิตเอ นั่นเองเราจะเห็นว่ายาโคบเนี่ยต้องการขอพรจากพระเจ้าแต่ไม่ต้องการให้พระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตยาโคบต้องการให้พระเจ้าช่วยนะครับในเวลาที่เขาเนี่ยลำบากเดือดร้อนแต่เขาไม่ต้องการยอมจำนวนกับพระเจ้าในการดําเนินชีวิตแต่ละวันยาโคบมีความเชื่อในพระเจ้านะครับแต่เป็นความเชื่อแบบขอไปทีเป็นความเชื่อแบบติดสินบนยาโคบชอบแต่ขอ ชอบแต่อยากได้ประโยชน์จากพระเจ้าแต่ไม่ได้สนใจที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นเองปัญหาที่แท้จริงของยาโคบนะครับจึงไม่ใช่เรื่องกา ร, รเผชิญหน้ากับเอซาวแต่ปัญหาที่แท้จริงของยาโคบคือความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินระหว่างเขากับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เมื่อกี้นี้เราร้องบทเพลงภพยราอมากเลยถามั้งร้องอีกทีหนึ่งบอกเมื่อกี้จดเนื้อเพลงไม่ทัน ให้เราเอามือวางไว้ที่ใจใช่ไหมคะในเราลองเอามือขวาแล้วจับทวใจเราหน่อยสิคะ่ะบุเพลงบอกว่าวางมือไว้ที่ใจแล้วบอกพระองค์ว่ารักเราจะรักและพักดีลูกของมอบชีวีดแด่พระองค์บุเพลงนี้ไพเราะมากเช่นเดียวกันเลยพี่น้องที่รักค่ะบทเรียนที่ยาครบได้รับในวันนี้นะคะพระเจ้าสอนเราด้วยเหมือนกันพระเจ้าอยากให้พระองค์เป็นพระเจ้าของชีต ของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราด้วยชีวิตประจำวันทุกเรื่องเลยไม่ใช่เป็นพระเจ้าแค่วันอาทิตย์ดังนั้นเองพี่น้องคะที่ชิงมีหลายเรื่องเลยนะที่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีที่เข้ามาในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจเราเป็นเรื่องที่ทาให้เราเสียใจเสียน้าตาเสียความรู้สึกแล้วก็เสียกาลังใจแต่หวังว่าเรื่องเหล่านี้นะครับ ที่พระเจ้าให้เข้ามาในชีวิตของเรานั้นจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นถึงความจาเป็นว่าเราต้องมีพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้านะครับเป็นกาลังใจเป็นขวัญเป็นทางออกและเป็นผู้นาชีวิตของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตรตรงนี้ไปได้ดังนั้นเองปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวปัญหาเองแต่ปัญหาอยู่ที่ใจของเรากับพระเจ้าบุเรียนสองประการผ่านไปแล้วประการแรกคืออะไรคะ วิกฤตคือโอกาสประการที่สองปัญหาอยู่ที่ใจปัญหาอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและประการที่สนะคบประการสุดท้ายพระเจ้านั้นแสนดีแม้ว่าเราจะปฏิเสธพระเจ้านะครับแต่พระองค์ทรงสแสวงหาเราเสมอเสมอเราจะพบว่าชีวิตของยาโคบนะครับไม่น่ารักเลยเพราะว่าเป็นคนชอบโกงชอบหลอก พูดอะไรเนี่ยต้องหารห้าหรือหารสิบไว้ใจไม่ได้เขาหลอกได้โกงได้แม้แต่กับพี่ชายตัวเองคุณพ่อของตัวเองพ่อตาตัวเองชีวิตจึงไม่มีความสุขเลยคำถามคือว่าแล้วทำไมพระเจ้ายังต้องมาปล้ำสู้กับเขาด้วยทำไมพระเจ้าไม่ปล่อยปล่อยอยาโคบไปซะอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลย เราเองอาจจะเคยมีคนแบบนี้ในครอบครัวของเราใช่ไหมฮเราจะมีพี่มีน้องหรือมีลูกหรือมีหลานที่พ่อแม่หรือว่าเราเองดีแสนดีช่วยหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เป็นคนดีสักทียังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆบางครั้งเราก็อยากจะปล่อยตัดหางเข้าวัดเลยปล่อยๆไปเลยเบื่อแล้วเหนื่อยแล้วกับการสอน แต่พระเจ้าไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะพระเจ้าไม่เคยตัดหางปล่อยวัดยาโคบแล้วพระเจ้าจะไม่ตัดหางปล่อยวัดเราด้วยคําตอบเดียวนะคะสําหรับคําถามนี้ว่าทำไมพระเจ้าไม่ปล่อยปล่อยยาโคบไปซะก็เพราะว่าพระเจ้าสงสัยพระทัยยาโคบพระเจ้าทรงห่วงใยและทรงรักนั่นเองยาโคบนะครับพระเจ้าไม่ปล่อยเช่นเดียวกันแม้เราจะไม่ดียังไงพระเจ้าก็ไม่ปล่อยเราเหมือนกัน ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคดียันหยับให้เรามั่นใจนะพระเจ้าห่วงเรารักเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงสําคัญต้องเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าดัง น, นั้นเในช่วงเวลานะคะที่เราต้องปั๊มสู้กับสถานการณ์ที่ยากลําบากของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินปัญหารักสามเศร้าปัญหาในครอบครัวปัญหาสุขภาพหรือในเวลาที่เราตกอับ ตกอยู่ในจุดที่ตกต่ำของชีวิตของเราพระเจ้าอาจจะส่งคนมาช่วยมากมายอาจจะเป็นพี่น้องคริสเตียนหรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรืออจจะเป็นพูวชนาของพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสผ่านทางพูชนะของพระองค์หรืออาจจะเป็นผู้พยายามเป็นสุดที่จะช่วยประคับประคองชีวิตของเราทั้งหลายที่สาคัญคือว่าเราทั้งหลายต้องฟังเสียงของพระองค์เรียนอย่างหนุนใจนะครับฟังเสียงของพระเจ้าผ่านสื่อเหล่านี้ สุท้ายนี้ดิฉันอยากจะสรุปสั้นๆสําหรับพัชนาของพระเจ้าในวันนี้สัปดาห์ข้างหน้าเราไม่ทราบว่าพระเจ้าจะส่งอะไรเข้ามาที่จะป้้มสู้กับเราเพื่อเตือนเราเพื่อสอนเราบทเรียนอาจจะทิ้งร่องรอยแผลเป็นไว้ให้เราอาจจะมีคําถามคาใจมากมายที่ตอบไม่ได้แต่คําถามที่สําคัญที่สุด คือเราจะเชื่อไว้วางใจในใครเราจะหันไปหาใครดีในเวลาที่เราทุกยากที่สุดในเวลาที่เราทุกใจที่สุดเราจะยึดมั่นในพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระองค์และเราจะบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขออวยพรลูกด้วยขออวยพรหนูด้วยเราจะหันหาพระเจ้าหรือว่าเราจะเดินหนีพระองค์ เราจะปั๊มสู้กับพระเจ้าในเหตุการณ์เหล่านั้นและเราจะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเราใหม่เปลี่ยนใจของเราใหม่แล้วก็นําชีวิตของเรานะครับไปดําเนินต่อไปข้างหน้ากับพระองค์และเราจะให้พระองค์เรียกชื่อเราใหม่ว่าลูกของพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้เนื่องจเราสามบทเรียนที่เราเรียนไปด้วยกันวิกฤตคือโอกาสปัญหาอยู่ที่ใจและ พระเจ้าแสนดีไม่ทิ้งเราทั้งหลายเลยขอเรารุ่มใจกันอธิษฐานนะคะเพื่อที่รักซาละเซะขอบพระคุณพระองค์เจ้าสําหรับบทเรียนที่พระองค์ให้พระองค์ทรงรักยาโคบอย่างไรไม่ทอดทิ้งยาโคบอย่างไรแม้ว่ายาโคบจะไม่น่ารักแม้เราทั้งหลายจะไม่น่ารักแต่พระองค์ยังทรงรักเราเสมอพระองค์ไม่ทิ้งเราเหมือนกับที่พระองค์ไม่ทิ้งยาโคบขอพระองค์ทรงโปรด นำพาและช่วยเหลือของทั้งหลายพระองค์เช่าค้าให้เราได้ตระหนักรับรู้และยอมจำนนฟื้นฟูความสัมพันธ์ใหม่ของเรากับพระองค์ให้เราตระหนักรับรู้ว่าแท้จริงแล้วขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่คือพระองค์พระองค์คือเจ้าชีวิตของเราทั้งหลายเราสรรเสริญและขอบพระคุณที่ทรงเรียกเราทั้งหลายให้เป็นลูกของพระองค์เราทั้งหลายอธิษฐานมอบฝากชีวิตที่เหลือนี้ให้อยู่ภายใต้การทรงนาของพระองค์ กับทุนขอตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนคะ่ะ